อธิบายกรรมที่พร้อมเพลียงกันโดยชอบธรรมภิกษุทั้งหลายก็กรรมที่พร้อมเพลียงกันโดยชอบธรรมอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าตั้งยติก่อนทำกรรมด้วยกรรมวาจาหนึ่งครั้งภายหลังภิกษุผู้เข้ากรรมกำหนดจำนวนไว้เท่าใด